เกิดขึ้นในพระองค์พระองค์บอเป็นทุกขะดูถือรู้เป็นที่ไม่มีอะไรจะสงสัยจะตายบันใดเวลาใดไม่มีคเียใจเะมดีวิเศษที่ตั้งใ้เอาไว้ได้เกนได้เ็นได้เห็นได้รู้จากการกระทของพระองค์ แต่เมื่อที่พี่แจนะธรรมะที่เราได้ตัดเารู้เป็นของทิ่เลึกซึ่งเป็นของผิดละเอียดยากนะต้องตามอารมณ์ต่างๆจะตัดรู้ตามได้เท่าวงจุ้งตุ้อ่อนจิต อ, อ่อนใจไม่อยากจะไปแหนไปสอนใคร เพราะธรนี้เป็นของละเอียดเป็นของลึกซึ้งอยากบุกคคลที่จะรู้ใจเห็นผู้ที่รู้ที่เห็นอย่างนี้ยังไม่อยู่ใครในโลกมีแต่เราคนเดียวและเราก่อนที่จะมารู้มาเห็นอย่างนี้เดี๋ยที่จะานาอย่างไรปฏิทปทาที่ดำเนินมา ที่เจนา่าเป็นข้องละเอียดมากเป็นของลึกซึ้งมากจะไปบอกไปสอนคนอื่นเขาจะรู้จะเห็นได้ไหมเพราะเขายัางไม่เคยใส่คิดติดตามเด่างนี้มาปฏิบัติมาโดยมีใครเป็นคนแนะนำทำสอนทำมาจรงรู้จริงเห็น ยิงเข่จิตเข่ใจได้แต่เราไปบอกไปสอนคนทั่วโลกคนใจคนจะโง ổ, ่เสมอกันหมวกคนดีก็ยังมีอยู่จำได้มีพระไทยอยากแต่แนสอนสันโลกอดพิเนาหาบุคคลจีบคนสอนอคิดไปถึงอาจารย์ท่านสองคื อ, าาาอรานดาบทุธต์ตาดาบทคนสองคนนี้มีประณีสัส มีสมาธิในจิตในใจหนักแน่มาฟอเกยงเราบอกสอนแยมออกอนนั้นทั้งสองอาจารย์นี้จะได้ตาสรูปตามเราขันเที่ยวว่าเหมือนกันกับดอกบัวที่โผล่พ้นจากน้ำมาแล้วค่อยแต่แสงพาทิตย์ขนานั้นพอถึงแสงพราทิตดอกบัวนั้นก็จะเกี่ยวบานทีเดียวแต่มาคิดนี้ที่เจนาถึงอาจารย์ทั้งสอง ก็วศาสตร์หรือยานเขาก็องว่าคนหนึ่งตายต่วันนี้คนหนึ่งตายไปเมื่อเช้าวันนี้โอเคความสลหายังอยู่คงจะได้รู้ได้เห็นทำไม่มีการยันตายยังเกิอดอีกนี้อาจารย์ทั้งสองผู้ศิษ์ในตานสมาบัติคงจะได้เกิดเชิงสมโลก จะเป็นสมนังทราว่าจะคีกักคีกันยิงจะได้ไหมเป็นมนุษย์เราจะรู้ต้องปฏิบัติอีกเพราะอมมีอายุยืนอายุนานที่จนาหายู่ที่จะควรแนะนำสั่งสอนไปอีกก็ไปเห็นพวกปัญจวัคคีเกเคยมีอุปการะคุณเป็นอุปสมบทฐานแต่ปัญจวัคคีใหนหน้าหมายกันไว้ว่าตาม เป็นโทษของสิทาติได้รับทานอาหารและเป็นผูมกมักหน้าในอาหารหนสังหนารต่างตาทำความเพียนหาหามาหา้เราผเอาไปตงก่อนรับถือว่าพระศาสดายุธยธตถะเป็นคนขรวจชาลามก ในตานจิตตานใจทําความเพียนจพียงจังเข้ามาการขันจังขันขันอาหารเป็นทางชั่วทางเสียก็เลยนี้จากไปท่านมาดหมายกันไว้พราองค์ไปเพียงจังก็เลยบอกว่าตั้งอาสนะรับรองไว้โดยจงเชิญท่านโดยจงไปรับท่านเพราะท่านเป็นกษัตริย์เมืสุห้าลาโคสออกไป อยู่ในเขตของแม่จันไม่ได้เป็นกษัตริย์ก็อาจจะมีอำนาจเหยียดเยียนพวกเราเราควรต้อนรับเพียงแค่นั้นแต่เมื่อไปจึงจ้างจะต้ตองต้อนรับพระ อ, องค์พระ อ, องค์จงทรงสอนเรื่อธรรมมัจากธรรมมัจจะสัาวัฒนสูตรเขากุศลเจาา้ า, จาทุกพระ อ, องค์ตั้งรู้จะต้องสอนเรื่องธรรมมัจจะ ก, ก่อน ทำทั้งหมดทำดมาจากเป็นธรรมซ้ำคัญแต่พวกเราท่านในเรียนบาลีโบร เ, เรนซาบาทำมาจากเป็นธรรมอย่างไรสําคัญอย่างไรอยาควรจะเราพึ่ปฏิบัติตาม ท, ทำมาจากอย่างไรนี่เป็นเรื่องพวกเราตรวจกันไปฟังกันไป เหมืนนอนนกแขว้วคุ้นชังในศาสตร์หนูฟังม่าอะไรแต่ความจริงผู้ศึกษาเราเรียนผูเรียนศึกษาเราเรียนในประเทศปฏิบัติตามเรื่องท้องธรรมวิจาก์เรียนมาได้ก็ไม่พาใจอีกยังแฝดไดเสียปาได้แก่สรแก่แสงแก่จิตใจใจไม่ได้เห็นม่ได้เป็นธรรมวิจาร์คนใดเลยเกิดสุนไปโยแก่ผู้ศึกษา ความจริงทรมาจากขีดขันแนสอนหนึ่งตน้นข <c oughs> ันก้นแนสอนสิ่งที่บัญชีเนีในควรเสะมีอยู่สองอย่างตามสั้นก็คือเมื่องรักเร่องทางสองอย่างนี่แหละคือจิตใจของบรทชิจิตใจของผู้ปฏิบัติควรเตสรักหนึ่งทางหนึง่ง เรยว่าการมาที่านนีการนโยกมีอย่ความรักเันวัดฮินโนกคโมโคคินิโกนั้นยนนะสต่เปนโตินะินโนหมายถึงของสั้งารามกธกคโมเป็นที่ตังของบ้านของเมืองโบทุคินิโก็ของผู้ที่ชุน คนหนาปัญญาอยากอนาโยมสุงจากุเทางของขารจ้าผู้ใดไปเกี่ยวข้องอนัตนโตอวยจาไม่เป็นประโยชน์แล้วก็มาสอนอาัยกิามเริ่มขึ้นจากทุขโขอนาีโยอนัตตาแนมีโตมันมีหมายถึงความรัก จิตใจที่เกี่ยวข้องกับการถูกเสียงเรื่องราวต่างๆทางภายนอกเป็นเครื่องที่บันเ ท, ทิิตทั่วไปไม่ควรคิตไม่ควรต่องเสดไม่ควรเกี่ยวข้องเพราะเรื่องเหล่านั้นผู้ใดจะเกี่ยวข้องจะต่ อ, อ, องเสดจะป่วยการเสียเวลาไม่ใช่ทางที่จะนำพาจิตใจให้ปลอบใจอย่าเย็นได้ นี้จะจะเกิดความวุ่นว่าเกิดความกังวลเกิดความาทุกข์านจิงสอนมาเห็นไปเกี่ยวข้องมา ah นไปติดตามมเห็นไปนึกคิดส่วนอัจสัยีินอสหาคือความทางความหมยยิ่งยิความรังเกียดเรื่องเหล่านี้มีทั่วไป บรรดาที่มีที่เหลือปัญหาไม่ว่าศัก์ไม่ว่าบุคคลเกิดนั้นการแสดงํามาจากกัปปวัตตนสุขสันติสาวาตดังลันวโลรตังแสมนุษย์โลกจนกระทั่งถึงเทวโลกอมมโลกก็่พราสัตว์ั่วไปมีจิตใจจิตข้องในสองอย่างถ้าจิตใจไม่มีการ ยินดีในตามอารมมันยินลายในเรื่องต่างๆจิตใจมันก็เบาสบายเป็นทางกลางเป็นมัชชิมาก็เป็นจิตใจที่มีคุณค่าเป็นจิตใจที่หาทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านพูดแต่เียงแ่นี้มันก็ถูกไปหมดไม่ว่า คนท่านไหนอยู่ที่ใดเพราะใจคนทั่วไปติดข้องในเรื่องเหล่านี้ถ้าหาแก้ไขเรื่องเหล่านี้ออกจากใจได้จะมีความสุขความสบายทางที่เจ็แก้ไขส่วนเหล่านี้เป็นอย่างไรท่านก่อนเนี้ยสอนไปอย่างมัตติมาปาัิปลกทางคือทางสายฟ้าอย่าไปเดินสข้างเดีย๋ยวจะเหยียบคว้วเหยียมน้ํา ไปเดินตางตางคืออะไรสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกับโตความดำริชอบยกปัญญาขึ้นเป็นแมวหน้ายกปัญญาขึ้นก่อนสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นทุก สีสุขขาความเกิดเป็นทุกข์สารสีสุกขาเรื่อยไปความจริงพวกเราทุกยากลาบากทุกวันนี้ตัวไม่ใช่มีมาจากที่อื่นมีมาจากความเกิดถ้าเราไม่เกิดอย่างเดียวเท่านั้นความทุกข์ของเราก็จะไม่มีแก่ก็มาจากเกิดเทียบ ไข่ได้ปวดใช่ยาโลคาอะไรทั้งหมดเกิดมาจากความเกิดใช่ไหมความเกิดจึงเป็นผลตอ่อของคุกเราทั้งหลายยังยินดีในการเกิดก็คือยังยินดีในการตายยังยินดีในฟองคุกเหตุนั้นเหตุที่จะได้ยนนะอย่างความเกิดให้เห็นเป็นใครอย่าไปติดไปชอบใจบาเกิดมันถลูกมันสบายแต่ถ้าในเกิด ก็ไม่ได้ยินธรรมะธรรมส่รของของพระพุทธเจ้าถึงไม่ได้ยินเราก็ไม่ไเป็นทุกข์เป็นว่านอะไรบุคคลมีกิเลสตัญหาจึงมาเกิดเมื่อเป็นอย่างนั้นจงพิจารณาเรื่องความเกิดในเนี่ยนอนลงไปหาใจมันเบื่อมันหนามันทายกำหนักอย่าไปยินดีสื่นใจ พอใจในการเกิดการเกิดนี้เป็นใทรันตาลใหญ่หลวง อ, อดอยากถึงกระหาอะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของควารเกิดนะถ้าไในนี้เกิอดอย่างเดียวปุ๊สบสบายตาย ไ, ม, าาไม่มีทุกอย่างลําบากไม่มจริงๆไปเกิดคืออะไร่ะก็เรื่องของใจ เรื่องธาดินน้ำลมไฟเครื่งเรื่องผสมื่อง่งอาศัยของจิเท่านั้นาพเจรเรื่องท้องใจที่ไปฟอเกิดได้ดับเรื่องท้องใจมัน้ปเกิดอีกมันสบาเกิดเป็นชาิของมนุษย์หรือเป็นสัตว์ี่จะมุดท้องโลก มีร่างกายตัวตนนี่เป็นการเกิดใาญ่เกิดละเอียดภายในถึงเป็นเรื่องของใจจีนใจเกิดความเกิดความดับของใจผู้พิจารณาญาติมีความเพียรมีสติเป็นมหาสติจะเห็นความเกิดความดับของจิตอยู่ทุกระยะทุกเวลาเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้น อย่ความเกิดส่วนนั day, this, ้นมันเึงนความเกิดละเอียดตัวเราหนึ่งมองเห็นเหตุตาของเราจะมองเห็นโดยปัญญาแล้วจิตใจสอบใจไหมความเกิดความดับถ้าเราไม่จิตใจสอบใจตพิเงาณาลงไปจนทาลายความเกิดความติดป้องใจ ที่ไปสูงไปคิดต่างๆให้หมดไปใจหลุดใจลอยออกไปหมดความเกิอดอย่างไรคนนั้นจะแจ่มใสเห็นแจ้ว่าอันนี้ไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีสมมติอันใดอันนี้จะ็นความบริสุทิจะรู้จะเห็น จากการการทำมุมเพนท้นองตนถึงคนอื่นเขาไม่รู้ไม่เห็นคนอื่นเขาเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นปัญหาแต่ตัวพวกเรางูเห็นว่าความบริสุทธิ์อันนี้ไม่มีอันอื่นที่จะยิ่งเป็นไปกว่าความบริสุทธิ์อันนี้ไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีการเสื่อมไม่มีการเจริญต่อไปเป็นความบริสุทธิ์ เท่านั้นแต่สมมตไปอื่นไม่ได้เดี๋ยวการเกิดการตายของสิ่งเหล่านี้เลยําวลิสุดนี้ได้มาจากอะไรได้มาจากการแตทําบ่มเพ็ญการประพฤติปฏิบัติการพิจิตรพิจารณาได้มาจากสติได้มาจากปัญญาได้มาจากการจิตนึกอสิ่งเรียกว่าดำริสอบ ไดำริออกออกจากโลกออกจากทุกออกจากเกิดออกจากตายขี่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําสั่งสอน <c oughs> พวกวันเจ้าขี่วันเว้าขี่ต่างหน้าต่างตาสจะรับเล่ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอัญญาคนพัญยักษ์ึงเป็นหัวหน้าเข้าใจ ไในอาักในทำเียนทำในขณะจิตฟังอยู่รับโอวาทอยูจิตใจรู้เห็นว่าจริงใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาแต่เห็นด้วยจิตด้วยใจจริงจังไม่ใช่เห็นเล่นอย่างซุ่มดาหรือเห็นธรรมดาเห็นจากจิตจากใจของตัว เชื่ม่เป็นอย่างนั้นจริงจังองคุชัยจ่าขอรับรองว่าปัญญาคนพัญยาได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยการได้ดวงตาเห็นธรรมตรงหมายถึงตาในไม่เห็ตานอกเห็นเป็นจริงๆไม่มีความจิตข้อไม่มีความสงสัย แล้เมื่อจิตเห็นจิตเป็นอย่างนั้นความหลงในความแก่ความป่วยความตายเป็นอะไรเป็นภัยต่ใจที่รู้ที่เห็นอย่างนั้นก็ราสิงได้เกิดสิงนั้นก็จะต้องดับมีเราไหม่ี่เจรณาเห็นแจ่อย่างนั้นใจมันยังเย็ดมั่นอยากให้อยู่นมนานไปจะได้บวาเพีย ผลงานความดีต่อไปก็จะมีความสุขความสบายต่อไปความจริงมันเป็นอย่างไรเราไม่เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นจิตมันยังยึดมัน่นยังถือมั่นอยู่มันไม่ละไม่ถอนท่านเห็นท่านเป็นของขท่านทั้งเห็นทั้งละทั้งถอนด้วยในจิต ด, ดวงนั้นเข้าใจเชืเ่อมัน่นเป็นจริงอย่างนะั้นเราไม่มีการบันไบท อะไรเิดขึ้นอะไรจากไปท่านเคอยใจพัดเจนเห็นไปจากดีอยนะ่างเราจะไปคิดคล้องอะไรจริงๆมีเกิดมันก็มีแปรปวนและมีแตกกรายเมื่อเห็นเส้นยียงอย่างนั้นก็เลยเชื่อผู้เห็นอัดเห็นทำภายในใจผู้นั้นจะ ม, มีการสงสัย ม, มีการหลุมหลงไม่หยด ขั่วไปเพราะทุกอย่างคำว่านีเกิดถึงเป็นธรรมดานต้องมีการดับไปเป็นธรรมดามัว่าอะไรทั้งหมดมันเช่นอยู่อย่างนะั้นสีตาพวกเราได้เห็ น, น พ, วพวกเราได้ยินด้วยจิตของเราคิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเห็นไปหมดทั้งด้านวัตถุทั้งด้านนามธรรม เห็ญอย่างนะเงีความเห็นความเปลีนของคนพันยาพระพุทธเจ้าเนีนะ่สอนจนจบเรื่องของธรรมจักผมมีแต่คนพันยาคนเดียวเท่านะั้นที่รู้เห็นในการสิทธิธรรมาจากักหลังมาก็าเทศไปจินาตกะนันนิอบรมบ่มอินปี แม่สอนอพวกปัญจวัคคีต่อมาโภมาเทศอนาตตาลัคนะสุเป็นธรรมะขี่สำคัญส อ, อนอนาตตาลัคนะสุส อ, อนเดือดฟงยของใจอีกเหมือนกันในสอนที่อื่นรูปังอมิจังรูปังอานาตตารูปไม่เที่ยงรูปไม่เปเ็นสัต์บุคคล ตัวตนเราเขาให้พิจารณาลูกพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเทศในเรื่องของขันห้าแต่สันพิยรณาและเทศเกิดความเป็นอาจเป็นธรรมผู้เทศก็มีความบริสุทธิ์ผู้ฟังก่ตั้งใจสดับรับฟังจริงจังผลที่สุดพอจบอนัตตลกะัสสุ แต่ว่าวทีทั้งห้าเลยเกณฑ์บรหันทั้งหมดมการเพศสององคธุยเจ้าสมัยนั้นได้มารในผลต่อหน้า ต, อตา่อตาแต่สมัยนี้การเพศธรรมจาติก ด, ดี๊ปีศากระยาสูตรกดี๊อนัตตะกระยายสูตรก ด, หรรรยยรดีหรืออะไรต่ออะไร ปฏิประทานอะไรอะไรเคยเทตกันแก่กอไหมสาวับผู้เทตเข้าใจเห็นจริงอย่างนั้นหรือไม่ผู้ฟังตั้งใจที่จะรายงาตามหรือไม่การสังเศตของพวกเราท่านโดยส่วนใหญ่ตั้งอยากได้บุญฟังพอเป็นคิดีไแ่นี้มีการคิดติดตามแก่ นั้นจิตใจของพวกเราจึงปุงึงปุ่งจึงไม่มีความสงบสงัดซึงไม่เห็นอาจเห็นทาไม่เห็นภคยอันตรายในการเกิดการตายของตัวยังเผิดเทิอมัวเมาหลุ่มหลงหรือว่าโลกมนุษย์มีความสุขคามสบายจิตใจก็ยัง เส่อเอยู่อย่างนั้นมัวเมาอยู่อย่างนั้น <_ t iny> เป็นการมาตัญหาคือความระเยยทะายานอยากเป็นภวะตัญหาคือความติดข้องเห็นมีภาวะตัญหาคือเหียดหน่ายจิงจีตั ว, วไม่ตรงตาจิตใจ เมื่อมีตัญหาทั้งสมก็เป็นเรื่องสะมูไพยอยู่แล้วสะมูไพยนั่นแหละเป็นเรื่องผิดทุกไปทุกเกิดขึ้นาหากเราไม่เห็นเรื่องความผิดทวามข้องของผิดของใจยอย่างนี้านการจะแก้ไขจะได้แก้ไขลายเหตุแก้ไขไม่ได้จะต้องแก้ไขต้นเหตุอะไรมัน ทำให้เกิดทุกข์เกิดจิตเกิดข้องแก่ไยตรงนั้นมันดิบทั่วไปที่ท่านรู้เห็นเป็นธรรมจริงจังท่านกลัวมากกัวกิเลสเป็นหาโรคของใจโรคของกาย ไม่เป็นของสำคัญอะไรที่เจรจากันจริงจังเพราะโลกของตายเยกิดมาทุกคนจะต้องประสบพบเียนทางนั้นจะให้เั้นไปอาศัยที่ไหนก็เหมือนเรามาอาศัยแผ่นดินโอ้โหว่าก็ อ, อาศัยร่างกายนั่นเองที่อาศัยมันจะต้องเกิดขึ้นกับร่างกายของสัตว์ของบุคคลเหมือนนับแผ่นดิ น, นที่ ตัดหรือสิ่งต่างๆเลยมาอาศัยต่างกายครับพกเรากมเป็นโรกอันหนึ่งเป็นแผ่นดินอันหนึ่งซึ่งจะให้โรคต่างๆเข้ามาเกาะมาอาศัยจะไหลมันไปที่ไหนไหลนั้นไปมันก็เกิดอีกอยูน่นะ้นที่โรคของใจหรืะเป็นของสมการโรคขอ ง, องใจเพราะร่างกายนี้เรารักษาไมห่หายเหมือเวลาตายโลกมันก็หายไปเอง เขไปฟังไปเขามันก็หายรักษาไปหายยิ่งรักษาหายไปได้มันก็เกิดอีกไม่อย่างนั้นต้งมีการได้โยยารักษามัมีการลงการตายกันเพราะโรคมันหายไปแล้วก็เกิดขึ้นหายไปก็เกิดขึ้นโรคของกายเป็นอย่างนั้ส่วนโรคของใจจะไป ฝังใจเขาที่ไหนมันไม่หายน ะ, ะถ้าหาเราเหมือนชำระสารไม่บอกพืชปฏิบัติโดยอัคพันจริงจังถ้าเราบอกพืชปฏิบัติด้วยอาดพจริงรรรรจังโรคทางใจมันหายจากการบอกพืชปฏิบัติจากการภ า, า, าวนาของเราเราจะไม่เกิอดอีกโรกส่วนนั้นหายทั้งเหมอเวลายังมีชีวิตเป็นอยู่เมื่อเวลากากว่าหายไปอีก มันยังอยู่หรอหเวลาตายไปต็วตายแตย่ตังส่วนวิเวณปัญหาก็ยังคุมพอเป็นสืบพันธ์ของใจอยู่ลจะเกิด อ, อีกก็เกิดทุกข์อีกวิเวณปัญหาตังนี้อยู่ก็มีไปอีกหนึ่งโลกของใจเป็นของสำคัญใหญพวกเราท่านเี่มาปกติปฏิบัติสมัยจะสำระ ส, ะสะัจฐานรักษา ตัวห้องใจรักษาตารักษาหูรักษาจฉียงหรักษาลิ้นรักษาไตเาพราะทางเกิดพองโรคใจเกิดมาจากตาจากหูจากจฉียงจากลิ้มจากไตใจที่ติดขออ่องต่อมองหรือเปิดเชิญต่างๆมาจากอายาุตระส่วนนี้ ผ่านใจให้สงบอมอินทสีไม่ให้ยินดียินรากยินกส่าจะ่จะบาเห็นอย่าไปรุงไปคิดให้มากไปใจจะไปจิดไปคล้องได้ยินก็เหมือนกันให้ผ่านไปผ่านไปเท่านะั้นอย่าไปจิดไปคล้องไปฟุงไปแปลว่ามันดีอย่างนะมันไม่ดีอย่างถ้าดีจะไปจิด ฟองเป็นตาอารมณ์ือจะเพิดเพินจะยินดีถ้าตัวถ้าเสียถ้าไม่ดีก็จะเกิดความร่ังเกียจเป็นเรื่องอาจาิตใจที่ว่ละมัทฐานโยมมันติดฟองมันอยู่แฉ่งแค่งอย่นี้ไม่ติดฟองที่อื่นแต่เพียงให้ทั้งรวมยินดีคือตาดูจะหมู่ที่ตา ใจของตัวมาเห็นยินดียินร้าในเมืเม่อเป็นรูปหรือบางเสียงเป็นต้นเราจะต้องรวมได้อย่างนั้นไหมถ้ายังไม่ได้ขอให้พยายามทําให้มันได้ให้มันเป็นแต่แตับว่าเห็นแต่ว่าได้ยินเท่านั้นอ ย, ย่าให้จิตไปจิดไปคล่องแพยายามมันจิตมันคล่องมันไม่ดี มันจะเกิดมานาะทิศจะเกิดที่เรศตันหาสาหาเราต้องรวมระ ว, วังดาดวโดยมีสติมีปัญญาพอเกิดแทบขึ้นมาเห็นภาพเขา้ากาพิจารณาอย่างนั้นใส่ทันอยู่ทุกเวลาจิตไม่เด็ดรุงไม่เด็ดจิตละส่วนเรานะอารมณ์ของใจจะเบาจะสบายไปผลที่สุด เมือ่อสติปัญญาตามพันถูกระยะไปเห็นส่วนภายนอกไปยินส่วนภายนอกก็เป็นเรื่องของตัวที่ไปได้ยินไปได้เห็นแล้วเรื่องของตัวที่ไปติดไปคล้องไปรูุไปเห็นมันให้สุให้ทุกอย่างอะไรจะ từ, สืบสอบพ อ, อไปพิจารณาเข้าไป จะแย่ไถ่ส่วนต่อของมันจะแยกไถ่ส่วนต่อทํำลายส่วนต่อคือเรี่องจิตเดิมหรืออุทานาะด์จิตใจจะเบาจะสบายจะมีความสุขจะเห็นพระนิพพานอยู่สถานที่ใดในต้องไปถามใครปุถิบริสุทธิ์อยู่สถานที่ใดพระนิพพานอยู่สถานที่ไห น, น คนที่เป็นฟุกคนที่มีกิเลสตัณหาอยู่สถานที่ใดถึงจะอยู่ในตาทปาเรียสงคนนั้นก็จะไม่ประสบพบกิส